ยาีเรียเรื่องห้องมหัศจรรย์ณโรงแรมชั้นหนึ <h <h ่งที่มีความสูงกว่าสิบชั้นมีคนมาพักมากมาย จึงต้องสร้างลิฟต์สำหรับคนขึ้นลงและมีบันไดควบคู่กันไปด้วยกระทาชายนายหนึ่งมาจากชนบทเขาไม่เคยรู้จักลิฟต์ว่าเป็นอย่างไรและใช้สำหรับให้คนขึ้นลงได้เมื่อเขามาพักที่โรงแรมแห่งนี้เขาจะขึ้นลงก็ใช้บันไดแม้ว่าเขาจะอยู่สูงกี่ชั้นก็ตามทุกๆครั้งเขาจะมองไปที่ลิฟต์ แล้วก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะมองเข้าไปก็เป็นห้องแคบๆเล็กๆธรรมดาเท่านั้นครั้งแรกมีผู้ชายผอมบางเดินเข้าไปเมื่อประตูลิฟต์ปิดพักหนึ่งต่อมาเปิดออกคนผู้ชายคนนั้นกลายเป็นคนอ้วนท้วนเดินออกมาแทนให้ข่าวหน้าสงสัยแท้ๆครั้งที่สอง ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในลิฟต์ประตูปิดสนิทพักใหญ่พอประตูเปิดออกผู้หญิงคนนั้นท้องโตตั้งคันเดินออกมาทันทีเอแปลกจริงๆเขาคิดในใจครั้งที่สามหญิงชายคู่หนึ่งเข้าไปประตูลิฟต์ปิดสนิททำให้เขาใจเต้นแรง มันจะเป็นอย่างไรกันเนาะพักใหญ่ประตูลิฟต์เปิดออกปรากฏว่ากลายเป็นชายหญิงจูมือเด็กออกมาอีกสองคนเอมันอะไรกันนี่มันจะต้องเป็นห้องมหัศจรรย์จริงๆเมืองหลวงนี้มีเทคโนโลยีสูงจริงเขาชักสงสยัย เขาจึงเดินไปถามพนักงานโรงแรมแล้วพูดว่าขอโทษเถอะครับถ้าผมเดินเข้าไปในห้องนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมถ้าท่านถูกถามท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรดีคะเรื่องนี้สอนว่าอย่าคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เห็นเพราะความไม่รู้ ทำให้เราลงโง่ไปเสียตั้งมากมาย